ตลิขามยาวัหมวดว่าด้วยปาตาลิขามหนึ่งปฐมมณิพนธปฏิสังยุตตสูตรว่าด้วยธรรมที่เกี่ยวกับนิพานสูตรที่หนึ่งข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเขครุงสาวัตถีสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อานฐานแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยทำมีคถาว่าด้วยเรื่องนิพพานฝ่ายภิกษุเหล่านั้นก็ทำให้มั่นมณนึกสการแล้วน้อมนึกทำมีคถาทั้งปวงด้วยจิตเงียโสดลงฟังธรรมลาดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานภิกษุทั้งหลายอายตนะมีอยู่แต่ในอายตนะนั้นไม่มีปัทวีธาตไม่มีอาโปธาตไม่มีเตโชธาตไม่มีวายโยธาตไม่มีอากาสานัญายตนะไม่มีวิญญาณัญายตนะไม่มีอากินจัญญาายตนะไม่มีเนวสัญญานาสัญญาายตนะ ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ทั้งสองนั้นภิกษุทั้งหลายเราไม่เรียกอายตนะนั้นว่ามีการมามีการไปมีการตั้งอยู่มีการจุติมีการอุบัติอายตนะนั้นไม่มีที่ตั้งอาศัยไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีอารมณ์ยึดเหนียวนี้แหละคือที่สุดแห่งทุกข์ ปฐมะนิพพานปฏิสังยุตตสูตรที่หนึ่งจบ 2. ทุติยนิพพานปฏิสังยุตตสูตรว่าด้วยธรรมที่เกี่ยวกับนิพพานสูตรที่สองข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเคครงสาวทถีสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อ า, านหารแกลวากล้ า, ลาปลอบฉโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีกระถาว่าด้วยเรื่องนิพพานฝ่ายภิกษุเหล่านั้นก็ทำให้มั่นมนศึกการแล้วน้อมนึกทำเมียกะถาทั้งปวงด้วยจิตเงี่ยโสดลงฟังธรรมลาดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุธาทานฐานะที่บุคคลเห็นได้ยากชื่อว่านิพพานอันไม่มีตันหานิพพานนั้นเป็นธรรมที่มีอยู่จริงไม่เห็นได้ง่ายตันหาอันบุคคลแทงตลอดแล้วกิเลสเครื่องกังวลก็ไม่มีแก่ผู้รู้อยู่เห็นอยู่ทุติยานิพพา น, นปฏิสังยุตสูตรที่สอง 3. ตติยนิพานปฏิสังยุตตสูตรว่าด้วยธรรมที่เกี่ยวกับนิพานสูตรที่สามเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินิกาเศรษฐีเขกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัด ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อานฐารแก้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคถาว่าด้วยเรื่องนิพพานฝ่ายภิกษุเหล่านั้นก็ทําให้มั่นมนสิยการแล้วน้อมนึกธรรมมีคถาทั้งปวงด้วยจิตเงี่ยโสดลงฟังธรรมลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า พุทธอุทานภิกษุทั้งหลายธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ปรากฏไม่ถูกเขสร้างไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีอยู่ภิกษุทั้งหลายถ้าธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ปรากฏไม่ถูกเขสร้างไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งจากไม่มีในโลกนี้ก็จะไม่ปรากฏภาวะสลัดออกจากธรรมชาติที่เกิดแล้วที่ปรากฏแล้วที่ถูกเขสร้างแล้วที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้ว ภิกษุทั้งหลายก็เพราะธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ปรากฏไม่ถูกเขสร้างไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีอยู่ฉะนั้นจึงปรากฏภาวะสลัดออกจากธรรมชาติที่เกิดแล้วที่ปรากฏแล้วที่ถูกเขสร้างแล้วที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วตติยนิพพานปฏิสังยุตตสูตรที่สจบ 4. จะตุธานิพานปฏิสังยุตตสูตรว่าด้วยธรรมที่เกี่ยวกับนิพานสูตรที่สข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถาปิณิกะเศรษฐีเข ค, ครุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัต เราใจให้อาหานแกล่าแกล่าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมิกราว่าด้วยเรื่องนิพพานฝ่ายภิกษุเหล่านั้นก็ทำให้มั่นมณนิสการแล้วน้อมนึกธรรมมิกราทั้งปวงด้วยจิตเงี่ยโสดลงฟังธรรมลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทาน ความวันไหวย่อมมีแก่บุคคลผู้ถูกตันหาและทิฏฐิอาศัยความวันไหวย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่ถูกตันหาและทิฏฐิอาศัยเมื่อความวันไหวจิตไม่มีก็ย่อมมีปัจสถาเมื่อมีปัจสถาก็ย่อมไม่มีตันหาเมื่อไม่มีตันหาก็ไม่มีการเวียนไหวตายเกิดเมื่อไม่มีการเวียนไหวตายเกิดก็ไม่มีการจุติและการอุบัติ เมื่อไม่มีการจุติและการอุบัติก็ไม่มีโลกนี้โลกอื่นและระหว่างโลกทั้งสองนี้คือที่สุดแห่งทุกข์จจตุธานิพพานปฏิสังุตสูตรที่4จบ จุนทสูตรว่าด้วยนายจุนทะก ร, รมมารบุตรเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นมันละพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ได้เสด็จไปถึงเมืองปาวาได้ยินว่าณที่นั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะสวนอัมพวันของนายจุนทะกรัรมมารบุตรนายจุนทะกรร ม, มรบุตรได้ฟังว่า ทราบว่าพระผู้มีพระภาคสเสด็จจาริกไปในแคว้นมันละพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ได้สเสด็จถึงเมืองปาวาแลประทับอยู่ณนะสวนอัมพวันของเรานายจุนทะกรมมารบุตรจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ในายจุนทะกรรมารบุตรเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เราใจให้อาหานแกล่ากล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกาถาครั้งนั้นนายจุนทะกรรมารบุตรผู้อันพระผู้มีพระภาคกระชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้ยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหานแกล้วแกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วเด็กกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดรับพัตตาหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยพระอาการดุษณีครั้งนั้นนายจุนทะปรัรมมารบุตรทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วลุกขึ้นจากที่นั่งถวายอภิวาพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วจากไป ครั้นคืนนั้นผ่านไปนายจุนทะกรรมรบุตรสั่งให้คนจัดของขบฉันอย่างประณีตและสูกรมธวะจำนวนเพียงพอไว้ในนิเวศของตนแล้วส่งคนไปกราบทูลพัตการว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้เวลาแล้วพัตหารเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าค่าครั้งนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังนิเวศของนายจุนทะกัมมรบุตรพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประทับนั่งบนพุทธาธิปูราดไว้ได้รับสั่งเรียกนายจุนทะกัมมรบมุตรมาตรัสว่าจุนทะท่านจงประเคนเราด้วยสูกรมัทะวะที่เตรียมไว้ประเคนภิกษุสงฆ์ด้วยของขบชนอย่างอื่นที่เตรียมไวเ้เถิดนายจุนทะกมมรบุตรทูลรับสนองพระดารัสแล้ว ประเคนพระผู้มีพระภาคด้วยสูกรมัวะที่เตรียมไว้ประเคนของขบฉันอย่างอื่นที่เตรียมไว้แด่ภิกษุสงฆ์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกนายจุนทะกรรมระบุมาตรัสว่าจุนทะท่านจงฝังสูกรมัวะที่เหลือในหลุมเรายังไม่เห็นใครในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหม์เทวดาและมนุษย์ ที่จะบริโภคสูกรมัวะนั้นแล้วพึงถึงการย่อยไปด้วยดียกเว้นตถาคตนายจุนทะกรรมารบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้วนำสูกรมัวะที่เหลือนั้นไปฝังไว้ในหลุมเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรครันแล้วพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ในายจุนทะเห็นชัด ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหารแกล่วกล่าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคถาแล้วทรงลุกจากพุทธาฏเสด็จจากไปหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเสวยพระกรยาหารของนายจุนทะกัมมระบุตเสร็จแล้วได้เกิดอาการพระประชวนอย่างรุนแรงมีทุกขเวทนาเกิดจากโรคลงพระบังคนหนักเป็นโลหิต จ, จวนเจียนจะปรินิพาน ได้ยินว่าขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงมีสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นเวทนานั้นไว้มิได้ทรงแพร่พรึงลําดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่ามาเถิดอานนท์เราไปยังกรุงกุสินารากันเถิดท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดํารัสพระผู้มีพระภาคทันทีข้าพเจ้าได้สดับมาว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงมีพระปีชาเสวยพระกรยาหารของนายจุนทะกมรบุตรแล้วทรงพระประชวนหนักจวนเจียนจะปรินิพานเมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยสุกรมัทวาแล้วได้เกิดอาการพระประชวนอย่างรุนแรงลงพระบางคนหนักตรัสว่าเราจะไปยังกรุงกุสินารารับสั่งขอน้าดื่มครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงแวะลงข้างทางเสด็จเข้าไปยังควงไม้ต้นหนึ่งแล้วรับเสียงเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์เธอจงปูสังฆาติสี่ชั้นแก่เราเราเหน็ดเหนื่อยจะนั่งท่านพระอนนท์ทูลรับสนองพระดํารัสแล้วจึงปูสังฆาติสี่ชั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนพุทธอาฏนั้นแล้วตรัสกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าอานนท์ เธอจงนำน้ำดื่มมาเพื่อเราเรากระหายจะดื่มน้ำเมื่อพระผู้มีพระภาครับสั่งอย่างนี้ท่านพระอานนท์จึงได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกเกวียนประมาณห้าร้อยเล่มผ่านไปเมื่อสักครู่นี้เองน้ํานั้นถูกล็อกเวียนย่ำจนขุนเป็นตมไหลไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แม่น้ำกุกุตานี้อยู่ไม่ไกลมีน้ำใสรสจืดเย็นช่ำสะอาดมีท่าขึ้นลงสะดวกน่ารื่นรมพระผู้มีพระภาคจักทรงดื่มและทรงสนานพระวรกายให้ชุ่มชื่นได้ณแม่น้ำนั้นแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าอานนท์เธอจงนำน้ำดื่มมาเพื่อเราเรากระหายจะดื่มน้ำ ท่านพระอาณนลเรียกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวยนประมาณห้าร้อยเล่มผ่านไปเมื่อสักครู่นี้เองน้ำนั้นถูกล้อเวียนย่ำจนขุนเป็นตมไหลไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม่น้ำกุกุตานี้อยู่ไม่ไกลมีน้ำใสรสจืดเย็นฉ่ำสะอาดมีท่าขึ้นลงสะดวกน่ารื่นรม พระผู้มีพระภาคจากทรงดื่มและทรงสนานพระวรากายให้ชุ่มชื่นได้ณแม่น้ํานั้นแม้ครั้งที่สพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าอานน์เธอจงนําน้ําดิมมาเพื่อเราเรากระหายจะดื่มน้ําท่านพระอานน์ทูลรับสนองพระดํารัสแล้วถือบาตรเดินไปที่แม่น้ํานั้นครั้งนั้น แม่น้ำซึ่งถูกลอกเวียนย่ำจนขุ่นเป็นตมไหลไปอยู่นั้นเมื่อท่านพระอานนท์เดินเข้าไปถึงก็พลันใสสะอาดไม่ขุ่นไหลไปตามปกติลำดับนั้นท่านพระอานนท์ได้มีความคิดดังนี้ว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระตถาคตทรงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงแม่น้ำนี้มีน้ำน้อยถูกลอกเวียนย่ำจนขุ่นเป็นตมไหลไป เมื่อเราเดินมาถึงก็พลันใสสะอาดไม่ขุนไหลไปท่านพระอานน์จึงใช้บาตรตักน้ำแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จิงไม่เคยปรากฏพระตถาคตทรงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม่น้านี้มีน้าน้อย ถูกล็อกเวียนย่ำจนขุ่นเป็นตมไหลไปเมื่อข้าพระองค์เดินเข้าไปถึงก็พลันใสสะอาดไม่ขุ่นไหลไปขอพระผู้มีพระภาคทรงดื่มน้ำเถิดขอพระสุคตทรงดื่มน้าเถิดพระพุทธเจ้าข่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดื่มน้ำแล้วเสด็จไปที่แม่น้ำกุกุตาพร้อมกับทรหมูใหญ่พอเสด็จถึงก็เสด็จลงแม่น้านั้น ทรงสงและทรงเดิมแล้วเสด็จขึ้นเสด็จกลับไปยังสวนอัมพวันแล้วรับสั่งเรียกท่านพระจุนทกะมาตรัสว่าจุนทกะเธอจงปูผ้าสังฆาติสีชั้นแก่เราเราเหน็ดเหนื่อยจะนอนท่านพระจุนทกะทูลรับสนองพระดำรัสแล้วปูผ้าสังฆาติสีชั้นจากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสาเร็จสีลสยยาโดยพระปรารเบื่องขวา สงซ้อนพระบาทเหลื่อมพระบาททรงมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ทรงกำหนดพระทัยว่าจะเสด็จลุกขึ้นส่วนท่านพระจุนทกะก็นั่งเฝ้าอยู่เบื้องพระพักของพระองค์ในที่นั้นเองภายหลังพระธรรมสังฆาหากาจารย์ได้รจนาคถ า, าสรุปดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าผู้ตถาคตศาสดาหาผู้เปรียบไม่ได้ในโลกนี้ทรงมีพระวรกายเหน็ดเหนื่อยมาก เสด็จถึงแม่น้ำกุกุตาซึ่งมีน้ำใสรสจืดสะอาดเสด็จลงไปสู่แม่น้ำนั้นพระศาสดาผู้อัญชาวโลกทั้งหมดบูชาเสด็จอยู่่้ำกลางภิกษุสงสรงสงและทรงดื่มน้ำแล้วเสด็จขึ้นจากแม่น้ำพระผู้มีพระภาคบรมศาสดาผู้ทรงสแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทรงประกาศเผยแผ่ธรรมวินัยไว้ในพุทธศาสนานี้ เสด็จเข้าไปยังสวนอัมพวันแล้วรับสั่งเรียกพระจุนทกะมาตรัสว่าเธอจงปูผ้าสังขาติ4ชั้นให้เป็นที่นอนแก่เราท่านพระจุนทกะนั้นอันพระผู้มีพระภาคผู้ทรงฝึกฝนอบรมพระองค์แล้วตรัสเตือนจึงปูผ้าสังขาติ4ชั้นทันทีพระบรมศาสดาทรงมิพระวรกายเหน็ดเหนื่อยทรงบรรทมแล้วฝ่ายพระจุนทกะ ก็นั่งเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักในที่นั้นบินทบาททานสองคราวมีผลเสมอกันครั้นต่อมาพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอานนทมาตรัสว่าอานนทหากจะมีใครมากล่าวให้ในายจุนทะกรรมระบุรเดือดร้อนใจว่าท่านจุนทะการที่พระตถาคตสวยบินทบาทของท่านเป็นครั้งสุดท้าย แล้วเสด็จดับขันธปรินิพานไม่ใช่ลาบของท่านท่านได้ชั่วแล้วอานอนท์เธอพึงระ ง, งับความเดือดร้อนใจของนายจุนทะกรรมระบุตอย่างนี้ว่าท่านจุนทะการที่พระตถาคตสวยบินทบาทของท่านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเสด็จดับขันธปรินิพานเป็นลาบของท่านท่านได้ดีแล้วท่านจุนทะความข้อนี้อาตามภาพได้ฟังมา ได้รับมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคว่าบินทบาทสองคราวมีผลเสมอกันมีวิบากเสมอกันมีผลมากกว่าและมีอนิสงฆ์มากกว่าบินทบาทอื่นอย่างมากบินทบาทสองคราวอะไรบ้างคือ 1. บินทบาทที่พระตถาคตเสวยแล้วต ร, รัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอย่างยอดเยี่ยม 2. บินทบาทที่พระตถาคตเสวยแล้ว ปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุบิณทบาทสองคราวนี้มีผลเสมอกันมีวิบากเสมอกันมีผลมากกว่าและมีอนิสงฆ์มากกว่าบิณทบาทอื่นอย่างมากนายจุนทักกรรมรบุตรได้สั่งสมกุศลกรรมที่เป็นเหตุให้มีอายุยืนมีผิวพรรณผ่องใสมีความสุขเกิดในสวรรค์เจริญด้วยลาบยศเป็นใหญ่ยิ่งแล้วอานนท์ เธอพึงระ ง, งับความเดือดร้อนใจของนายจุนทะกรมรบุตรอย่างนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานผู้ให้ทานย่อมเพิ่มภูนบุญผู้สำรวมในศีลย่อมไม่ก่อเวรส่วนผู้ฉลาดย่อมละบาปได้เพราะสิ้นราคะโทสะและโมหะผู้นั้นชื่อว่า ปรินิพานแล้วจุนทสูตรที่ห้าจบห <Okay. S 1> ปาตาลิกามิยสูตรว่าด้วยอุบาสกชาวปาตาลิกามข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จเาริกไปในแคว้นมคธพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ได้เสด็จมาถึงปาตลิคามอุบาสกอุบาสกาิกาชาวปาติลิคามได้ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จเาริกไปนในแคว้นมคธพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สเสด็จมาถึงปาติลิคามแล้วจึงพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควร เดียกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดรับอาคารที่พักของข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคทรงรับด้วยพระอาการดุษณีลำดับนั้น อ, อุบาสกอุบาสิกาชาวปาเตลิ ค, คามทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงพากันลุกจากที่นั่งถวายอภิวาพระผู้มีพระภาค ทำประทักษิณแล้วพากันเดินไปยังอาคารที่พักปูลาดอาสนะทั่วอาคารจัดอาสนะตั้งหม้อ น, น้ําตามประทีปน้ํามันไว้แล้วกลับไปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาสแล้วยืนอยู่ณที่สมควรเรียกกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายปูลาดอาสนะดาดเพดานทั่วอาคารที่พัก จัดอาสนะตั้งหม้อน้ำตามประทีปน้ำหมันไว้แล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงกำหนดเวลาที่สมควรณาบัตรนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่าครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตระวาสกถือบาทและจีวรเสด็จไปที่อาคารที่พักพร้อมกับภิกษุสงฆ์ทรงชำระพระบาทแล้วเสด็จเข้าไปยังอาคารที่พักประทับนั่งพิงเสากลาง ถินพระพักไปทางทิศตะวันออกแม้ภิกษุสงฆ์ก็ล้างเท้าแล้วเข้าไปยังอาคารที่พักนั่งพิงฝาด้านทิศตะวันตกถินหน้าไปทางทิศตะวันออกห้อมล้อมพระผู้มีพระภาคแม้อุบาสกอุบาสิกาชาวปาตลิกามก็ล้างเท้าแล้วเข้าไปยังอาคารที่พักนั้นนั่งพิงฝาด้านทิศตะวันออกถินหน้าไปทางทิศตะวันตกห้ออมล้อมพระผู้มีพระภาคะ โทษแห่งศีลวิบัติหประการลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับอุบาสกอุบาสิกาชาวปาตาลิ ค, คามว่าข้าพเดีทั้งหลายศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีลมีโทษหประการนี้โทษห้าประการคือ 1. บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติในโลกนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์เป็นอันมากซึ่งมีความประมาทเป็นเหตุ นี้เป็นโทษประการที่หนึ่งแห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีล 2. กิติศัพท์อันชั่วของบุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมกระชอนไปนี้เป็นโทษที่สองแห่งศีลวิบัติของบุคลบคลผู้ทุศีล 3. บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นขติยะบริษัทก็ตามพรามหนณบริษัทก็ตามขหบดีบริษัทก็ตาม สมณบริษตัดก็ตามย่อมไม่แกล้วกล้าเก้อเขินเข้าไปนี้เป็นโทษประการที่สแห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีน 4. บุคคลผู้ทุศีนมีศีลวิบัติย่อมหลงลืมสติตายนี้เป็นโทษประการที่4แห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีน 5. บุคคลผู้ทุศีนมีศีลวิบัติ หลังจากตายแล้วย่อมไปบังเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกนี้เป็นโทษประการที่5แห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีนค่าประดีทั้งหลายศีล ส, สมบัติของบุคคลผู้มีศีนมีอนิสงฆ่าประการนี้อนิสงฆ่าประการคือ 1. บุคคลผู้มีศีลมีศีลสมบัติในโลกนี้ย่อมได้โภคทรัพย์เป็นอันมากซึ่งมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ นี้เป็นอนิสงส์ประการที่1แห่งศินสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 2. กิติศัพท์อันงามของบุคคลผู้มีศีลมีศินสมบัติย่อมขจรไปนี้เป็นอนิสงส์ประการที่สองแห่งศินสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 3. บุคคลผู้มีศีลมีศินสมบัติจะเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นขตยะบริษัทก็ตามพราหมณบริษัทก็ตาม ข้บดีบริษัทก็าตามหรือส ม, มณบริษัทก็าตามย่อมแกล้วกล้าไม่เก้อเขนินเข้าไปนี้เป็นอนิสงส์ประการที่3แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 4. บุคคลผู้มีศีลมีศีลสมบัติย่อมไม่หลงลืมสติตายนี้เป็นอนิสงส์ประการที่4แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีลหบุคคลผู้มีศีลมีศีลสมบัติ หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์นี้เป็นอนิสงฆ์ประการที่หแห่งสินสมบัติของบุคคลผู้มีสีลข้าบดีทั้งหลายสินสมบัติของบุคคลผู้มีสีลมีอนิสงฆ์ห้าประการนี้แหลหลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้อุบาสกอุบาสิกาชาวปาตลิคามเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแกล่า ปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยทำเมฆคกถาจนดึกเดินแล้วทรงส่งกลับด้วยรับสั่งว่าข้าบดีทั้งหลายราตรีใกล้จะสว่างขอท่านทั้งหลายจงกำหนดเวลาที่สมควรหนบัดนี้เถิดลำดับนั้นอุบาสกอุบาสิกาชาวปาติลิคามต่างชื่นชมอนุโมทนาพระธรรมเทศนาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วลูกจากที่นั่ง ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วจากไปเมื่ออุบาสกอุบาสิ ก, กาชาวปาตลิคามจากไปไม่นานพระผู้มีพระภาคก็เสด็จเข้าไปยังเรือนว่างสร้างเมืองปาตลีบุตรสมัยนั้นสุนีทะและวัสการะผู้เป็นมหาอมาตย์แห่งมคตรรภ์กําลังสร้างเมืองปาตลิคามเพื่อป้องกันพวกวัชีครั้งนั้น เทวดาจำนวนมากเป็นเรือนพันกำลังยึดครองที่ดินในปาตลิคามคือเทวดาที่มีศักย์ใหญ่ยึดครองที่ดินในประเทศใดจิตของพระราชาและมหาอมาตย์ของพระราชาที่มีศัก์ใหญ่ต่างก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในประเทศนั้นเทวดาที่มีศักชั้นกลางยึดครองที่ดินในประเทศใดจิตของพระราชาและมหาอมาตย์ของพระราชาที่มีศักชั้นกลาง ต่างก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในประเทศนั้นเทวดาที่มีศักชั้นต่ํายึดครองที่ดินในประเทศใดจิตของพระราชาและมหาอมาตของพระราชาที่มีศัก์ชั้นต่ําต่างก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในประเทศนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเล่งทิพยจักรสุอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ได้ทอดพระเนตรเห็นเทวดาเหล่านั้นเป็นเรือนพันกําลังยึดครองที่ดินในปาตลิคาม คือเทวดาที่มีศัก์ใหญ่ยึดครองที่ดินในประเทศใดจิตของพระราชาและมหาอมาริของพระราชาที่มีศัก์ใหญ่ต่างก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศใ <kah> นประเทศนั้นเทวดาที่มีศัก์ชั้นกลางยึดครองที่ดินในประเทศใดจิตของพระราชาและมหาอมาริของพระราชาที่มีศัก์ชั้นกลางต่างก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในประเทศนั้นเทวดาที่มีศัก์ชั้นต่ำ ยึดครองที่ดินในประเทศใดจิตของพระราชาและมหาอมาทของพระราชาที่มีศักชั้นต่ำต่างก็ น, น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในประเทศนั้นครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคทรงเตือนบัรทมในเวลาใกล้รุ่งรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์ใครกำลังสร้างเมืองในปาตลิคามท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สุนีทะและวัสการะผู้เป็นมหาอมาตย์แห่งมคตรัฐกำลังสร้างเมืองในปตาตลิคามเพื่อป้องกันพวกวัชีพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนสุนีทะและวัสการะผู้เป็นมหาอมาตย์แห่งมคตรัฐกำลังสร้างเมืองในปตาตลิคามเพื่อป้องกันพวกวัชีเหมือนได้ปรึกษากับเทวดาชันดาวดึงอานนณที่นี้ เราเลงที่พยะจักสุอันบริสุทธิ์เนื้อมนุษย์ได้เห็นเทวดาจำนวนมากเป็นเรือนพันกำลังยึดครองที่ดินในปาตะลิคามคือเทวดาที่มีศักย์ใหญ่ยึดครองที่ดินในประเทศใดจิตของพระราชาและมหาอามาตย์ของพระราชาที่มีศักย์ใหญ่ต่างก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในประเทศนั้นเทวดาที่มีศัก์ชั้นกลางยึดครองที่ดินในประเทศใด จิตของพระราชาและมหาอมาตย์ของพระราชาที่มีศัก์ชั้นกลางต่างก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในประเทศนั้นเทวดาที่มีศักชั้นต่ํายึดครองที่ดินในประเทศใดจิตของพระราชาและมหาอมาตย์ของพระราชาที่มีศัก์ชั้นต่ําต่างก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในประเทศนั้นอานนท์ตลอดพื้นที่อันเป็นย่านชุมชนแห่งอารยชนและเป็นทางค้าขาย นครนี้จะเป็นนครชั้นเอกเป็นทำเลค้าขายชื่อปาตาลีบุตรและนครปาตาลีบุตรจะเกิดอันตรายสามอย่างคืออักขีภัยอุท ก, กภัยหรือการแตกความสามัคคีภายในกลุ่ม 2. มหาอมาตย์เลี้ยงพระครั้งนั้นสุนีทาและวัสการะผู้เป็นมหาอมาตย์แห่งมคตรัฐเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้สนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วได้ยืนณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าขอพระโคดมผู้เจริญพร้อมด้วยภิสุสงโปรดรับพัตหารของข้าพระองค์ทั้งหลายในวันนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยพระอาการดุษณี สุนีท่และวัสการะมหาอมบาดแห่งมคตรัฐทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงเข้าไปยังที่พักของตนแล้วสั่งให้จัดเตรียมของเคี้ยวของฉันอย่างปราณีตไว้ในที่พักของตนแล้วส่งคนไปกราบทูลพัตการว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญได้เวลาแล้วพรตทหารเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าค่าครั้งนั้นในเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จเข้าไปยังที่พัก ข, ของสุนีทะและวัสการะมหาอมาตแห่งมคตรัาชประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้ลำดับนั้นสุนีทาและวัสการะมหาอามาตแห่งมคตราชได้นําของเคี้ยวของฉันอันปราณีตมาประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้อิ่มน้าด้วยตนเอง กระทั่งพระผู้มีพระภาคสวยเสร็จทรงละพระหัตจักบาทแล้วได้นั่งเฝ้าณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาแก่สุนีทะและวัสการะมหาามาตแห่งมครรัฐด้วยพระคถาเหล่านี้ว่าอนุโมทนาคถาบัณฑิตอยู่ในที่ใดเลี้ยงดูท่านผู้มีศีลผู้สารวม ประพฤติพรหมจรรย์ในที่ที่ตนอยู่นั้นพึงอุทิศทักษิณาแก่เหล่าเทวดาผู้สถิตอยู่ในที่นั้นเทวดาเหล่านั้นอันเขาบูชาแล้วย่อมบูชาตอบอันเขานับถือแล้วย่อมนับถือตอบจากนั้นย่อมอนุเคราะห์บัณฑิตนั้นเป็นการตอบแทนดุจมารดาอนุเคราะห์บุตรผู้เกิดแต่อกฉนั้นดังนั้นผู้ที่เทวดาอนุเคราะห์แล้ว ย่อมพบเห็นแต่สิ่งที่เจริญทุกเมือ่อประตูโคโดมและท่าโคโดมพระผู้มีพระภาคครั้นทรงอนุโมทนามหาอา ม, มาสุนีทะและมหาอา ม, มาตวัสการะแขวนมคธด้วยพระคาถาเหล่านี้แล้วทรงลุกขึ้นจากอาสนะเสด็จจากไปสมัยนั้นมหาอา ม, มาสุนีทะและมหาอา ม, มาตวัสการะแควนมคธ ตามส่งเสด็จพระผู้มีพระภาคไปเบื้องพระปริสดารด้วยคิดว่าวันนี้ประตูที่ท่านพระสมณโคโดมเสด็จออกไปจะได้ชื่อว่าประตูโคโดมท่าที่พระองค์เสด็จข้ามแม่น้ํำคงคาจะได้ชื่อว่าท่าพระโคโดมต่อมาประตูที่พระผู้มีพระภาคเสด็จผ่านไปนั้นได้ปรากฏนามว่าประตูพระโคโดมลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จไปทางแม่น้ำคงคาเวลานั้นแม่น้ำคงคามีน้ำเต็มเสมอตลิงนกกาพอดื่มกินได้คนทั้งหลายผู้ปรารถนาจะข้ามฝากบางพวกเที่ยวหาเรือบางพวกเที่ยวหาแพบางพวกผูกทุ่นพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงหายไปจากฝั่งนี้แห่งแม่น้ำคงคาไปปรากฏพระวรากายที่ฝั่งโน้น เหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทอดพระเนธเห็นคนเหล่านั้นผู้ปรารถนาจะข้ามฟากบางพวกเที่ยวหาเรือบางพวกเที่ยวหาแพบางพวกผูกทุนลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทาน คนพวกหนึ่งกำลังสร้างสะพานข้ามสะใหญ่โดยมิให้แปดปืนด้วยโครนตมขณะที่คนอีกพวกหนึ่งกำลังผูกทุ่นอยู่ชนผู้ฉลาดได้ข้ามพ้นไปแล้วปาตาลิกามิยะสูที่หจบ